นามธรรมาและรูปธรรมที่เกิดดับสืบต่อก็จะก่อเป็นลักษณะกายใจจำเพาะตัวที่เรียกว่าบุคลิกภาพอย่างนั้น 4. นามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายาตนะเมื่อนามรูปตื่นตัวทำงานพร้อมอยู่ในรูปแบบลักษณะหรือทิศ ท, ทางอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันจําต้องอาศัยบริการของอาาตนะใดๆเป็นสื่อบ้อนความรู้หรือเป็นช่องทางดำเนินพฤติกรรม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 อยากคงอยู่อยากเข้าอยู่ในภาวะที่จะได้ครอบครองเสวยสุขเวทนาจากอารมณ์นั้นเกิดเป็นภาวะตันหาเมื่อรับรู้อารมณ์ใดเกิดความทุกข์บีบคั้นไม่สบายก็เกลียดชังขัดใจอยากพากอยากพ้นอยากกำจัดทำให้สูญหายไปเกิดเป็นวิภาวะตัญหาถ้ารู้สึกเฉยเฉยก็เรื่อยเรื่อยซึมๆมเพลินเลินอยู่ในโมหะและติดได้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 อะไรเกี่ยวกับมันเป็นเห็นดีเห็นงามไปหมดอะไรกระทบมันเป็นกระทบถึงเราด้วยถ้าชังก็เกิดความรู้สึกปะทะกระทบเหมือนดังเป็นตัวประปักกู้กรณีกับตนอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นบุคคล น, นั้นหรือภาวะนั้นให้รู้สึกกระทบกระแทกขัดพลักกอยู่เรื่อยไม่เห็นดีไม่เห็นงามมันขยับเขยื่อนทำอะไรเป็นดังกระทำต่อเราไปหมดพร้อมกันนี้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 ทั้งนี้รวมไปถึงการที่จะเสื่อมถอยด้อยลงในภพนั้นการถูกกระแทกกระเทือนและการที่จะสูญเสียหลุดหล่นออกไปจากภพนั้นด้วยโดยเฉพาะการที่ต้องถูกคุก ค, คามห่วงกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมสู์จากภพนั้นและการที่จะต้องคอยรักษาภพนั้นอยู่ตลอดเวลาความลดด้อยถอยเสื่อมสูญเสียและการคอยถูกคุก ค, คามเหล่านี้ล้วนนำโสกปริเทวะเป็นต้นคือความทุกข์มาให้ได้ตลอดทุกเวลา